ฉันเสียใจอะไรที่ฉันทำให้มันจบอะไรที่ฉันทำให้ทุกอย่างนั้นสายไปอะไรที่ฉันทำให้เราหายเธอคงไม่ยอมเข้าใจที่ฉันเป็น เธอคงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นเธอคงไม่เคยคาดฝันสิ่งหนึ่งที่เธอต้องยอมรับันคือการที่ไม่มีฉันในทุกอย่าง ที่ฉันเป็นอยู่เธอคงไม่ยอมทู้ใจอะไรทั้งนั้นเธอคงไม่เคยคาดฝันสิ่งหนึ่งที่เธอต้องยอมรับมันคือการที่ไม่มีฉันในทุกอย่างก็มันไม่ มันไม่มีอะไรยั่งยืนทุกทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปที่เหลือเวลาไม่นานเท่าไรสักวันเมื่อฉันจากไปเธอจะเข้าใจ ฉันจากไปเธอจะเข้าใจทุกอย่าง ไม่มีอะไรแน่นอนทุกทุกอย่างและมันมมีอะไรยั่งยืนทุกทุกอย่างก็มันไม่มีอะไร